ลงศพของอาตมาก็คือความดีที่ทำไว้ในโลกด้วยการเผยแผ่พระธรรมป่าช้าสำหรับอาตมาก็คือบันดาประโยชน์และคุณทั้งหลายที่ทำไว้ในโลกเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์และขอชักชวนให้ท่านทั้งหลายถือหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันว่าลงศพของเรา ก็คือความดีที่ทำไว้ในโลกป่าช้าของเราก็คือประโยชน์ทั้งหลายที่เราได้ช่วยกันทำไว้เพื่อประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ท่านพุทธทาสพิขุ เรื่องของธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องของตัวเราโดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติซึ่งเป็นธรรมะปฏิบัติถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเราจะต้องทำให้มีให้เป็นขึ้นในจิตในใจของเราสำคัญนะการปฏิบัติธรรมการเจริญสติแต่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องรีบเร่ง สำคัญแต่ไม่รีบเร่งแปลกนะแต่บางอย่างเนี่ยมันรีบเร่งแต่บางทีก็ไม่สําคัญนะถ้าบุฟังก็เห็นตรงนี้ไหมเนี่ยบางอย่างนี่ต้องรีบเร่งรีบด่วนแต่บางทีทําไปแล้วไม่สําคัญก็มีนะอย่างเช่นอะไรเออใกล้ๆตัวเราเอาโทรศัพท์เนี่ยมันใกล้ตัวเรามากพอมันดังกรี๊งขึ้นมาบอกสัญญาณขึ้นมาเนี่ยใช่หไหมเราต้องรีบด่วนรีบเร่งจะต้องไปรับแล้ว ทำไมไปจับมารับมาฟังแล้วก็เดี๋ยวสายมันจะหลุดรีบเร่งแต่บางทีพอรับแล้วเนี่ยบางทีไม่ค่อยสำคัญนะเรื่องราวที่ได้รับได้ฟังบางทีไม่ค่อยไม่สําคัญก็มีเสียเวลาไร้สาระก็มีมีหลายเรื่องที่ดูแล้วมันจะรีบเร่งรีบด่วนแต่ว่าไม่สําคัญเลยสําหรับชีวิตของเรา<ม>แต่ว่าการเจริญสติเนี่ยถือว่าสําคัญแต่ไม่รีบด่วนไม่รีบร้อน เพราะอะไรเพราะขณะที่เรากำลังเจริญสติอยู่เนี่ยดีแล้วละ่ะถูกต้องแล้วแต่ถ้าเรารีบรีบด่วนรีบทำรีบปฏิบัติรีบให้บรรลุผลไวๆเนี่ยใจมันจะฟุ้งซ่านเลยใจจะไม่สงบจะไม่ปกติจะเครียดกับการปฏิบัติไม่สงบและไม่ปกติเนี่ย รู้สึกมันจะอึดอัดขัดเคืองภายใจิตใจจะมีแต่ความสงสัยบางทีก็เบื่อหน่ายในการปฏิบัติบางทีก็คิดฟุ้งซ่านต่างๆจิตไม่ปกติเพราะความรีบร้อนในการปฏิบัติเจ้าผลไวนี่เป็นเรื่องของตัณหาแล้วและมันส่งผลนะจิตที่รีบร้อนรีบเร่งเนี่ยกับการปฏิบัติทำการเจริญสติเนี่ย มันส่งผลมาถึงด้านร่างกายด้วยกายเราก็พลอยเครียดไปด้วยบางทีปวดศีรษะมึนศีรษะคลื่นไส้อัดเย็ยนแน่นหน้าอกอึดอัดไม่ค่อยสบายตัวเนี่ยเห็นั้ยเป็นผลมาจากทางด้านจิตใจใจเนี่ยเ็เป็นผู้นำพอเขาเครียดขึ้นมาแล้วก็สุขภาพกาย ก, ายก็จะไม่ดีไปด้วย หลายคนเราสังเกต ด, ดูนะตัวเราเนี่ยทําไมร่างกายเราจะมีโรคภัยไข้เจ็บมากมายบางทีคุณหมอเนี่ยหาสาเหตุไม่พบบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเกิดขึ้นทางด้านจิตใจก็ได้เพราะจิตใจเป็นเหตุใจที่คิดมากเครียดมากฟุ้งซ่านมากๆหงุดหงิดไม่ได้ตั้งใจเนี่ยอันนี้จะเป็นสาเหตุทํำให้กายเราเนี่ยผิดปกติไปด้วยคุณหมอจึงมักจะให้ อย่าละงับประสาทกล่อมประสาทเพื่อคลายความเครียดภายในจิตใจซะได้พักผ่อนมากๆพอใจได้พักผ่อนใจก็เป็นปกติก็มีผลทาให้สุขภาพกายเนี่ยดีขึ้นด้วยใจเราเนี่ยสำคัญมากใจเราไม่ต้องการให้ใครมาบังคับแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยก็บังคับใจก็ทำให้ใจเรามันเคร่งเครียดได้ แต่เรามีวิธีการฝึกมีวิธีการจัดการกับใจของเราบางครั้งเราต้องประหลาะค่ะเราจะไปกดคมคมขี่เขาอย่างเดียวไม่ได้ไปห้ามไม่ให้มันคิดไม่ให้มันฟุ้งซ่านเนี่ยมันลำบากมันห้ามยากให้มันอยู่กับที่ให้ใจมันอยู่กับกายอยู่กับความรู้สึกตัวเนี่ยมันแซนบยากมากเราต้องรู้เราต้องเข้าใจเรื่องจิตใจเรา ใจเราไม่ยอมอยู่กับที่หรอกเขาเป็นนักท่องเที่ยวใจเรานะเขาเป็นนักท่องเที่ยวเขามักจะท่องเที่ยวไปตามลำพังไปไกลแสนไกลดูเถอะปัจจุบันเนี่ยเรานั่งอยู่ที่ไหนเรานั่งอยู่ที่บ้านกายอยู่ที่บ้านกำลังฟังธรรมะร่างกายอยู่ในรถยนต์กำลังทรหน้าที่ขับรถยนต์ และใจเราละ่ะอยู่กับกายไหมอยู่กับการกระทำของเราในปัจจุบันนี้ไหมบางทีมันไปนะมันออกนอกบ้านออกนอกรถยนต์ไปเลยเที่ยวเร่ร่อนไปสู่อดีตอนาคตแล้วก็วิตกกังวลถึงอนาคตเพลินไปกับอนาคตรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความคิดตึกต่างๆไปแล้วจิตเรา เร่ล่อนไปแล้วไปเป็นพบเป็นชาติพบภูมิต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในจิตใจเราทั้งนั้นแหละเรายังไม่ทันตายหรอกมันก็สร้างพบภูมิในจิตใจเราได้พบน้อยพบใหญ่ใจเราที่มันเร่ล่อนไปกับอารมณ์ต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความคิดนึกชอบใจไม่ชอบใจโลภโกรธหลง ดีใจเสียใจเป็นสุขเป็นทุกข์จิตเราชอบเร่ร่อนไปอารมณ์ประเภทนี้ยอเนี้ยนนเป็นกามภพบพบที่เต็มไปด้วยกามคุณอารมณ์กามภพนี่คือภพใหญ่คนก็ชอบไปกันนะชอบไปในทางด้านกามภพเนี่ยมันสุกสนานลื่นเลงน่มีทั้งเป็นเทวดามีความสุขสนุกสนานแบบเทวดา เี่ยการมาพบเป็นมนุษย์นี่ก็มีความสุขสแสวงหาความสุขจากการทําบุญจากชื่อเสียงเกียรติยศคําสรรเสริญเยืนยอเนี่ยบางทีก็เผลอหลุดลงไปในอบายภูมิก็มีนะเนี่ยไปโกรธไปเกลียดไปกลัววิตกกังวลเป็นสัตวน์นรกเป็นเปรตเกิดจากความโลภเป็นอสุรกายเกิดจากความกลัวเป็นสัตว์ เดลฉานง้อหลงงมงายไล่สาระพีตกไปแนวไบยภูมิเลยอไบยภูมิก็ดีมนุษยภูมิก็ดีเทวภูมิก็ดีอันนี้คือการ ม, มาพบคนชอบไปสนธนาเฮฮาไปกันหลายคนนี่แหละคือพบใหญ่เห็น ไ, ไหมใจเราเคยไปไหมนี่แหละพบภูมิมันเกิดขึ้นที่จิตใจเราเนี่ยเพราะท่านอาจจะเบื่อเนียเบื่อแล้วสนานาเฮฮา เราไปมุ่งหาความสงบดูบ้างไปทําคิดให้สงบนิ่งเพ่งฌา น, เ, นเกิดสมาธิเป็นฌานเอารูปเป็นอารมณ์เนอันนี้เป็นรูปประฌานหรือรูปประพบ เ, เข้าสู่ชั้นพรมละอันนี้เป็นพบน้อยนะคนไม่ค่อยไปกันหรอกเพราะว่าไม่สนุกไม่มีแต่ความสงบนิ่งเงียบแต่พรมเนาะเขามีความสุขเขอยู่ในรูปปรพรม รูปปรพบและมีความสุขบางท่านบอกมีรูปนี่มันก็ไม่สนุกละไมนต้องอาศัยรูปเป็นอารมณ์อยากให้มันละเอียดก็นี่ <c oughs> ก็อาศัยสิ่งที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์ความว่างเพ่งความว่างมีสมาธิจิตเพ่งลงไปที่ความว่างจนจิตเกิดขึ้นเป็นฌานสงบลึกเป็นฌานไม่มีรูปเรียกว่าอารูปฌานใช่ไหม คืออรูปประพบเนี่ยคือพบน้อยคนไม่ค่อยไปกันไม่สนุกแต่พรมเนี่ยอรูปประพรมเนี่ยเขามีความสุขเนี่ยชีวิตเราเนี่ยกวนเวียนอยู่อย่างนาาเนี้ยสามพบสามภูมินะยังไม่ทันได้ตายนะในแต่ละวันเนี่ยเกิดขึ้นได้บ่อยๆพบคือภาวะสถานที่ที่เกิดของจิตส่วนภูมิเนี่ยเป็นระดับของจิตที่ไปเกิดในพบนั้นเขาเรียกว่าพบภูมิ พบน้อยพบใหญ่นี่เราอย่าปล่อยจิตให้เราเล่ร่อนไปในอารมณ์ประเภทนี้โดยเฉพาะการมาภูมิกามาพบจิตเล่ร่อนไปกามาพบเนี่ยมันเหน็ดเหนื่อยคนที่จเจริญสติดูจิตเนี่ยจะเข้าใจในส่วนนี้ความสุขสนกสนานก็ทำให้จิตเราเหน็ดเหนื่อยความอึดอัดขัดเคืองไม่สบายใจอันนี้ก็เหน็ดเหนื่อยเหมือนกันบางคนก็ถือว่าเป็นความสุขที่ทาให้เราโกรธให้เราเครียด เราวิตกกังวลบางทีเขาชอบเนี่ยละทําจิตให้เหนื่ยเหนื่อยทำจิตให้เป็นทุกข์การเจริญสติเนี่ยเป็นการฝึกฝนจิตใจไม่ให้ตกอยู่ในภพภูมิต่างๆให้อยู่เหนือภพภูมิอยู่เหนือโลกเขาเรียกโลกรุตระภูมิเนี่ยเจริญสติเนี่ยไปได้ไกลถึงขนาด น, นี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการฝึกฝนจิตใจให้รู้สึกตัวอยู่กับกาย อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ไปล่อยให้จิตเล่รล่อนไปอย่างเช่นเราขณะปัจจุบันเนี้ยเราใส่ความเอาใจใส่สักหน่อยแม้ว่าเรากำลังนอนอยู่เนี่ยเราลองเอาใจใส่กับการนอนดูสิกำลังนั่งกำลังยืนกำลังเดินกำลังทำอะไรอยู่ก็าตามในปัจจุบันนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้เนี่ยกำลังฟังธรรมเราลองเอาใจใส่กับสิ่งที่เรากระทำอยู่ การเอาใจใส่เนี่ยก็คือการเจริญสติ เ, เรามีสติแล้วเรารู้สึกตัวแล้วทำสบายๆ ส, สติเนี่ยเขาจะรู้รอบจะรู้เนื้อรู้ตัวรู้รอบรอบรู้คล้ายๆกับแสงนิอ่อนเนี่ยนะเนี่ยมันจะรู้รอบตัวมันเป็นแสงนวลไม่เข่งเครียดเนี่ยแสงนิอ่อนเนี่ยจะรู้รอบคือรู้กายรู้ใจ รู้สุขรู้ทุกข์รู้ความคิดรู้แม้กระทั่งเสียงอะไรเกิดขึ้นรู้แม้กระทั่งงูเลื้อยมาก็รู้เนี่ยไม่เหมือนกับแสงไฟฉายแสงไฟฉายเนี่ยรู้จุดเดียวอันนี้คืออารมณ์ของสมาธิจิตสงบนิ่งเป็นสมาธิรู้จุดเดียวอันนี้เป็นรู้แบบแสงไฟฉายมีแต่ความสงบแต่สตินี่จะรู้รอบรู้ทั่วคือรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นขอให้เรา เริสติทำแมสสบายๆมันจะรู้บ้างหลงบ้างก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าสติเนี่ยมันก็มีอาการเกิดดับเหมือนกันเป็นสังขารตามเกิดดับเกิดดับไม่เที่ยงเหมือนกันสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยถ้าเราไปบังคับให้มันเที่ยงเนี่ยใจเราจะเป็นทุกข์จะเครียดเมื่อมันหลงก็ไม่เป็นไรมันขาดสติไปก็ไม่เป็นไรในแต่ละวันเนี่ยเราลองมาทาตรงนี้ดูสิสรุปง่ายๆเลยแต่ละวันเนี่ย คอสังเกตดูว่าเราหลงไปเมื่อไหร่ให้เราคอยรู้ไว้ทุกครั้งที่มันหลงให้เรารู้ไว้เพราะใจเราเนี่ยมักจะหลงเใช่ไหมมันมักจะหลงบ่อยๆเราจะได้รู้บ่อยๆเนี่ยมินแบบฝึ่งคัตที่ง่ายๆใก ล, ใกล้ๆตัวเลยไม่ต้องไปหาที่ไหนทุกครั้งที่มันหลงเรื่องสติให้เราคอยรู้ไว้เนี่ยได้สติได้ทํำคะแนนในกับจิตใจเราแล้ ว, ลวได้ฝึกสติแล้วทําไปเรื่อยๆมันหลงเราก็รู้มันไม่หลงก็รู้สงบก็รู้ มันคิดมันง่วงก็คอยรู้เท่านั้นเองขอเพียงแค่รู้เบาๆรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยรู้แบบคลำคลำแต่แ ต, แต่อย่าไปจับให้มัน่นอย่าไปขั้นให้ตายใจมันจะเครียดอีกละ่ะรู้สบายๆนิ่มๆเบาๆเหมือนอย่าการจับปลาเนี่ยจับค่อยๆคําแต่แต่แล้วก็จับได้ถ้าไปจู่โจมจับปั๊บให้อยู่หมัดเนี่ยมันจะหลุดนะค่อยๆคําแล้วก็จับปับ มันจับปลาค่อยๆ ค, คลาแตะๆไปจิตใจเราก็เช่นเดียวกันเขาไม่ต้องการบังคับต้องค่อยๆประละเแตะรู้ๆไปอย่างนั้นจิตเขาจะเชื่องไปเองขยันรู้บ่อยๆและความหลงก็จะลดน้อยลงไปเองมันยังกับอะไรเอาน้ำใสไล่น้ำคุณเติมน้ำดีไปมากๆน้ำเสียมันก็หมดไปเองใจเราก็เหมือนกันฝึกจเจริญสติไปมากๆ และความหลงลืมสติก็จะหายไปเองอย่ารีบร้อนอย่ารีบเรื่องอย่าเร่งด่วนแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะการเจริญสติเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าไม่ใช่เรื่องรีบร้อนหรือเร่งด่วนในการปฏิบัติ